15สถานที่ที่น่ากลัวที่สุดของหมู่บ้านพลักเลรัตเคนประเทศอังกฤษเอ่ยชื่อถึงหมู่บ้านพลักเลชาวอังกฤษจะรู้สึกขนลุกสู้ในทันทีเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นหมู่บ้านผีสิงที่ผีดุที่สุดในสหราชอาณาจักรชนบทที่สวยงามของพลักเลรัตเคนซึ่งที่นี่ มีประชากรเพียงแค่หนึ่พันกว่าคนเท่านั้นแต่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้กลับมีเรื่องราวเกี่ยวกับผีที่น่ากลัวหลากหลายเรื่องราวด้วยกันทำให้หมู่บ้านพลักเลเป็นที่สนใจในอันดับตนๆของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายในสิ่งลึกลับเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆและนักล่าผีสถานที่แห่งนี้ได้มีผู้คนเดินทางมาถ่ายทารายการทีวี แนวลีลับเนื้อธรรมชาติต่างๆมากมายและยังเป็นสถานที่ที่มีการถ่ายทำซีรีส์ในยุค90เรื่อง The Darling Buds of May ซึ่งนำแสดงโดยดาราดังอย่างเดวิดเจสันและแคทเธอรีนซีต้าโจนอีกด้วยและนี่คือปรากฏการณ์ของเหล่า15วิญญาณที่น่ากลัวน่าขนลุก ที่มีอยู่ณหมู่บ้านแห่งนี้เสียงกรีดร้องของป่าได้มีหลากหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องผีซึ่งเป็นทัวพาไปยังสถานที่น่ากลัวต่างๆมากมายได้มาจัดทริปขึ้นที่นี่โดยให้ชื่อว่าเสียงกรีดร้องของป่าเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวใจกล้าได้นอนพักค้างคืนกลางเต็นท์อยู่ในป่าแห่งนี้ พื้นที่บริเวณป่าภายนอกหมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ต่างๆขึ้นอยุ่รกมากมายจนเรียกได้ว่าเป็นนาทีแห่งไม้ในกลางดึกจะมีเสียงกรีดร้องของเหล่าวิญญาณซึ่งเป็นวิญญาณของผู้ที่เคยเสียชีวิตอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่สามารถทราบได้ว่าวิญญาณที่เสียชีวิตในป่านี้นั้นได้เสียชีวิตมาแล้วนานเพียงใด และมีจํานวนมากเท่าไรเสียงกรีดร้องของเราวิญญาณ น, นั้นมีทั้งเสียงของชายและหญิงซึ่งเป็นผู้คนที่ได้หายตัวเข้าไปในป่าและไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยวิญญาณบนถนนณจุดโค้งบนถนนของหมู่บ้านพลักเลขซึ่งในอดีตเมื่อ300กว่าปีมาแล้ว เคยเกิดเหตุการณ์มีโจรนิรนามคอยดักปล้นคนเดินทางบนเส้นทางแห่งนี้ได้ถูกฆ่าตายด้วยดาบและถูกตึงเอาไว้กับต้นโอกหลังจากเกิดการต่อสู้ระหว่างโจรกับผู้รักษาก ฎ, กฎหมายในสมัยนั้นมีผู้คนที่ได้พบเจอกับเรื่องราวที่น่ากลัวได้กล่าวเอาไว้ว่าในกลางดึกจุดโค้งบนถนนแห่งนี้จะมีวิ ญ, ญญาณออกมาคล้ายคน กำลังต่อสู้กันในจุดที่เกิดเหตุฆาตกรรมเหมือนกับเหตุการณ์ที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในยุคสมัยของศตวรรษที่18เสียงลากรถม้าบรรยากาศที่น่ากลัวและเสียงลากของรถม้าที่มอลแมนฮิลซึ่งเคยได้มีคนพบเจอกับปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดหน้าขนลุกหลากหลายครั้งครั้งหนึ่ง ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังเดินทางกลับบ้านหลังจากไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับคนภายในหมู่บ้านขณะกําลังเดินทางกลับนั้นเธอได้เห็นรถมา้าซึ่งถูกลากจูงโดยมา้าไร้ซึ่งคนควบคุมมา้าและยังมีแสงสว่างสว่างจ้าออกมาจากภายในหน้าต่างของรถมา้าในปีคศ1997 ได้มีคนขับรถผ่านบริเวณ ร, บรอบใกล้ๆกับหมู่บ้านพลักเลขณะนั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มทันใดนั้นเองพวกเขาก็รู้สึกเหมือนถูกครอบงำด้วยเสียงของเกือกมาซึ่งกระทบกับพื้นหินซึ่งได้ยินชัดเจนมากราวกับว่าเสียงนั้นมันอยู่ภายในรถของพวกเขาเองหญิงชาวยิปซี ได้มีคนพบเห็นการปรากฏตัวของวิญญาณหญิงชาวยิบซีซึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำภายในลำธารของสะพานพินน็อกขณะที่เขากำลังสูบไปอยู่บนสะพานนั้นจากประวัติของที่แห่งนี้ได้มีคนเล่าเหตุการณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งได้ตายลงณบริเวณใกล้กับสะพานแห่งนี้จากอุบัติเหตุไฟครอกจนเสียชีวิตผู้พบเห็นได้บอกว่า เขาได้เห็นหมอกควันซึ่งมีรูปร่างลักษณะเหมือนคนกำลังนั่งอยู่บนสะพานศพอาจารย์แขวนคอได้มีผู้กล่าวว่าเหตุการณ์นี้เกิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งณบริเวณทางเดินจุดหนึ่งของหมู่บ้านที่เรียกว่านิกกิบัสในอดีตได้มีอาจารย์คนหนึ่งได้คิดสั้น มาแขวนคอตายณจุดเปลี่ยวแห่งนี้ซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าสาเหตุการฆ่าตัวตายนั้นเกิดจากอะไรหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตลงศพของเขาห้อยแขวนอยู่อย่างนั้นหลายสัปดาห์นับตั้งแต่ที่เขาหายตัวไปจนเมื่อคนได้พบศพของเขาก็ได้นำศพนั้นไปทำพิธีกรรมตามประเพณีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ผู้ที่ได้เดินทางมายังบริเวณนี้ก็มักจะได้พบเจอกับการปรากฏกายของวิญญาณอาจารย์ผู้นั้นให้เห็นอยู่เป็นประจำศพผู้พันแขวนคอในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีบุคคลผู้ที่ได้คิดสั้นฆ่าตัวตายโดยการแขวนคออีกหนึ่งรายซึ่งได้รับการกล่าวขานว่า เป็นหนึ่งในวิญญาณเฮี้ยนของหมู่บ้านศพที่แขวนคอนั้นมียศเป็นถึงผู้พันกองทหารซึ่งได้แขวนคอของตัวเองในป่าและผู้คนมักจะได้พบเจอเขานั้นเดินอยู่ท่ามกลางป่าแห่งนี้แม้ว่าพื้นที่ป่าส่วนใหญ่จะถูกรือถอนออกและได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็ตามแต่ก็มักจะมีทหาร หรือคนหลงทางอยู่ในป่าบริเวณนี้อยู่บ่อยๆผับอาถันผับแห่งนี้มีชื่อว่า The Blacksmith Arms ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีซึ่งมันเป็นอาคารที่มีผีสิงมากที่สุดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านพลักเลมันมักจะมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นอยู่เสมอจนทำให้ผู้คนขนานนามชื่อผับแห่งนี้ใหม่ว่า The Spectre Arm หรือ The Ghost Arm ซึ่งมีความหมายถึง อ, อสุรกายหรือผูดผีผู้ที่มายังภัพแห่งนี้มักจะโดนหลอกหลอนด้วยผีต่างๆนานาหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นวิญญาณผีเด็กวิญญาณผีแม่บ้านวิญญาณผีคนขับรถมาหรือแม้กระทั่งวิญญาณผีทหารมา ซึ่งมักจะมีผู้คนได้พบเห็นวิญญาณของคนขับรถมา้าทำตาถลึงขึงขังและมีผีทหารมาวิ่งไปรอบๆอยู่ที่ชั้นบนของผับอยู่เสมอคนงานทำอิดวันหนึ่งขณะที่คนงานกําลังทํางานตามปกติอยู่นั้นได้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นที่โรงงานทําอิดแห่งนี้ ส่งผลให้คนงานชายรายหนึ่งถูกผนังอิดสูงที่สร้างจากวินหมุล้มทับเขาด้วยความเจ็บปวดทรมานทำให้เขาท่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าเวทนาแต่เพื่อนเพื่อนคนงานของเขาก็ไม่อาจจะช่วยยื้อชีวิตของเขาเอาไว้ได้หลังจากที่เขาถูกผนังอิฐหนักล้มทับได้เพียงไม่นานเขาก็เสียชีวิตไปในที่สุดมีผู้คนกล่าวว่า ที่โรงงานแห่งนี้ในเวลากลางคืนบางครั้งจะได้ยินเสียงกรีดร้องหวยหวนชวนขนหัวลุกซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเสียงร้องของคนงานชายผู้โชคร้ายคนนั้นเองวิญญาณของเรสเลดีหมอกซึ่งมีลักษณะรูปร่างแปลกประหลาดได้ปรากฏขึ้นในขณะที่นักล่าผีนั้น กำลังเดินสำรวจสถานที่รอบๆ บ, บริเวณของโบสถ์เซนต์นิโคลัสคือค้นหาวิญญาณของเรดเรดดี้ย้อนกลับไปเมื่อทศวรรษ 1,100 S ซึ่งอยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 1,100 ถึง 1,109 ในช่วงเวลานั้นได้มีวิญญาณหญิงสาวตนหนึ่งคอยหลอกหลอนผู้คนที่ผ่านไปมายังโบสถ์เซนต์นิโคลัสแห่งนี้ จนเป็นที่ล่ำลือไปทั่วหมู่บ้านหลังจากนั้นไม่นานจึงได้ค้นพบว่าศพของเธอนั้นถูกเก็บเอาไว้ในหลงศพและถูกซ่อนเอาไว้ในห้องใต้ดินของโบสถ์เซนนิโคลัสนี้เองซึ่งบนหลุมศพของเธอนั้นมีดอกกุหลาบสีแดงวางอยู่ซึ่งคนได้กล่าวว่าที่เธอมักจะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนั้น คงเป็นเพราะว่าเธอนั้นกำลังพยายามเดินหาหลุมฝังศพของเด็กทารกคนหนึ่งที่คลอดออกมาแล้วตายซึ่งเด็กทารกคนนั้นเป็นศพลูกของเธอนั่นเองวิญญาณของไวล์เลดี้ที่บริเวณโบสถ์เซนต์นิโคลัสนั้นยังมีผีอีกตนหนึ่งอยู่เมื่อเดินเข้าไปภายในของโบสถ์จะเห็นห้องสมุดของตระกูลเซเรนเดนเดอริง จะเห็นได้ว่าที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่เกิดขึ้นซึ่งได้ถูกเผาทำลายในปีคศ .1952 เป็นไปได้ว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นจะทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ไม่มากก็น้อยในขณะนั้นเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของสถานทูตสหรัฐ ทำหน้าที่ประจำอยู่ที่คาลือหาดแห่งนี้และมักจะได้พบเจอวิญญาณของไวเลดี้อยู่เสมอขณะที่ในคืนหนึ่งของคริสต์มาสีที่ห้องสมุดชายชื่อมิสเตอร์วอเตอร์ซึ่งได้เป็นยามรักษาการอยู่ที่นี่ขณะที่เขากำลังทำหน้าที่รักษาการอยู่นั้นก็ปรากฏควันคล้ายหมอกสีขาว ซึ่งมีรูปร่างลักษณะคร้ายคนเกิดขึ้นทำให้เขานั้นตกใจมากและหยิบปืนไรเฟิลของเขายิงไปที่ควันสีขาวนั้นจากนั้นหมอกควันนั้นก็ค่อยๆมาลายหายไปต่อหน้าต่อตาเขาสายฟ้าและความน่ากลัวได้มีเงาสีดำปรากฏตัวอยู่ใกล้กับบริเวณทางเดินจุดหนึ่งของหมู่บ้าน ที่เรียกว่าดิกกิบัสเงาประหลาดนี้ได้ปรากฏตัวหลอกหลอนผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งทีน่นี่มันเป็นกังหันลมเก่ามีบ้านตั้งอยู่ไกลๆที่มีชื่อเรียกว่าเดอะพินน็อกครั้งหนึ่งมันเคยเป็นโรงงานซึ่งได้ถูกปิดตัวลงในปีคศ .1930 เอส 1, และต่อมามันได้ถูกฟ้าผ่า ทำให้ที่นี่ลุกเป็นไฟและถูกเผาไหม้ในปีคศ1939แต่ดูเหมือนว่ายังคงมีวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตยังคงอยู่ทนี่วิญญาณบ้านพักขุนนักอิได้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจากคำพูดของพระท่านหนึ่งได้กล่าวว่าได้มีวิญญาณเฮียน คอยหลอกหลอนคนโดยรอบบริเวณของบ้านที่เรียกว่าเกรสต n นทีน่นี่สร้างเมื่อประมาณปีคศ1863มีชื่อเดิมว่าเร็กทอรี่คอเทปซึ่งเป็นบ้านพักของนักบุญจากโบสเซนต์นิโคลัสและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเกรสตนในปีคศ1924ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็ไม่เคยมีใครพักอาศัยอยู่ที่นี่อีกเลยได้มีบันทึกว่าได้เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดต่างๆมากมายภายในและภายนอกบ้านหลังนี้หญิงลึ ก, กลับย้อนกลับไปเมื่อกว่า250ปีก่อนที่บ้านหลังหนึ่งได้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้กระทำการฆ่าตัวตาย โดยการกลืนกินผลเบอร์รี่ที่มีพิษเข้าไปจำนวนมากจนเสียชีวิตหลังจากนั้นได้มีคนเล่ากันว่าเธอนั้นเป็นเมียน้อยของสมาชิกคนหนึ่งในตระกูลเดอร์ลิงที่บ้านหลังนี้แต่สาเหตุการฆ่าตัวตายของเธอนั้นไม่สามารถระบุได้ทุกๆุกวันในระหว่างช่วงเวลา4โมงถึง5โมงเย็น จะได้ยินเสียงร้องของสุนัขทั้งสองตัวของเธอเหมือนกับว่ามันได้เห็นและกําลังร้องเรียกเจ้าของของมันอยู่ซึ่งคาดเดากันว่าในช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่เธอนั้นได้ฆ่าตัวตายพับ Black Horse อีกพับหนึ่งในพรกเลข ที่มีชื่อว่าแบล็ k ฮอส์มักจะมีสิ่งของหายไปอย่างน่าแปลกประหลาดอยู่เสมอสิ่งของที่หายไปส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นชุดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆและไม่ว่าจะพยายามค้นหาสิ่งของเหล่านั้นมากสักแค่ไหนก็ตามก็หามันไม่เจอแต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือสิ่งของที่หายไปแล้วและไม่คิดว่าจะได้มันกลับคืนมา จู่ๆมันกลับโฮมาให้เห็นอีกครั้งหลังจากที่หายไปแล้วหลายวันซึ่งจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ผับนี้ปิดไปอาคารแห่งนี้ถูกนํากลับมาใช้งานอีกครั้งและได้รับการปรับปรุงบริเวณโดยรอบทำเป็นบ้านไร่และมีคูน้ำ ซึ่งใช้เป็นบ้านพักของประลัดอำเภอท้องถิ่นหญิงแก่หมวกฝาชีแต่เดิมนั้นที่นี่เป็นสถานที่พักของนักล่าสัตว์ในแถบนี้ได้มีคนพบว่าที่นี่นั้นมีวิญญาณหญิงแก่ซึ่งมักจะสวมหมวกรูปฝาชีที่เรียกว่าโบนเนตอยู่เสมอไม่รู้ที่ไปที่มาว่าเธอนั้น เป็นใครมาจากไหนแต่การปรากฏตัวของเธอนั้นมองเห็นได้ชัดเจนราวกับว่าเธอนั้นเป็นเพียงคนโดยปกติทั่วไปซึ่งทำให้คนที่ได้พบเจอกับเธอนั้นมักจะเข้าใจผิดว่าเธอนั้นเป็นเพียงลูกค้าคนหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการเท่านั้นสยองก็พอหรือยัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเราจะกลับมาสยองกันอีก สมัมผัสสิ่ง